ความสุขก็ดีความทุกขก็ดีไม่มีอะไรที่สุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความศกดิ์สิทกก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสศกดิกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก็ดีความฉลาดก็ดี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 คือคำว่าตาบาปลาเบวิโลกัล น, นัทรงเรีญาณดูสัตวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาข่ายคือพยานของพระองค์คําว่าเรียนญานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เรียนยาณดูจิตใจนั่นเองทัางนี้เรียนญานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่า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 นี่แต่ของลำบากลำบากหมดเพราะความโสโคกท้องใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษท้องใจที่โสโครกไม่มีสิ่งใดที่จ ะ, ะน่าเสยียดเสียนมากที่กว่าใจที่โสโครกอย่างอื่นจกสโครกไม่คว่าจะมีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจโสโครกนี่ต้องหาผู้สําคัญมาสอนเพื่จะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักพอกจิตใจที่โสโครก งีายสะอาดสะอา้านประด้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสนับเป็นสนัตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของพระองค์เองตลอดทุกวุทธีแก้ไขและก็นำมาตั้งสอนโลกและถูกต้องตามวิธีที่ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลนันมาแล้วยิ่งต้องมีครนีมตต า, าสอนอย่างนี้ความทุกข์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 อำนาจทางสติอำนาจทางความเพียรตุธนธรรมธาตุทาาี่ชล้าให้มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิน้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมบูริยมร่างกายจะหมดก็หมดไปเอเอทีวิติอ่าเทศนาสัญญาสังขารวิญญาณจะแปลสภาพไปไหนแปลไปเถอะเมื่อรู้ตามนจริงแล้วสิ่ง น, นั้นจะเป็นไปตามธรรมราของเขาซึ่งเข า, ามีความหมายไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปนี่จะจิตขึ้นมาไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้ามายึดไม่ถือก็แล้วเพียงรับทราบเท่านั้น แล้วก็ไม่แบกทุกกับความยึดถือในอะไรทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่เลยท่านมาเอกันจะเฉิมมัตตันเตวิสร่างรา ม, มุตตโมไม่ก่อกรรมก่อเวนกับผู้ใดทั้งหมดแม้รรมม แ, แต่กับกิบเลสก็ไม่ก่อกิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาเก่ อ, ก, อก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรต่ามก่อกรรมก่อเวนได้บันไดธรรมชนะไปมากเท่าไรก่อกรรมนั้นทีูุ่คุมด้วยพันนั่นแหะคือความก่อกรรมก่อเวน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 ในคนจำนวนน้อยน้อยนั้นเราช่วยเป็นผู้มีส่วนในผู้ปริษัทอันแท้จริงรูปของพระพุทธเจ้าก็คืออย่างนี้เอง<ฮ>พระพุทธเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบจิตมีครูรู้ยังไงเรารู้แบบจิตมีครูเนี่ยรู้แบบครูรู้แต่โดยลำดับลำดับ เ, น, เบบนี่ยแต่ว่าการดันทำมันนี่สม่ามากสมควรหอยุติอย่างใด